ใน้ปุ๋ยทีดีดูแลรักษาอย่างดีมันก็งอกก็งามไม่ใช่ป่วยปะละเลยการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแมนว่ามันจะมีสิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้น <c oughs> เกี่ยวกับเหตุปัจจัยต่างๆเราก็เพียพยายาม แล้วก็พยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นในสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามทุกชีวิตต้องสำรวมระมัดระวังให้เกิดความอกุ่นใจปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรักษามิตรผู้ประมาท ร, รักษาสมบัติทรัพย์สินของมิตรผู้ประมาทป้องกันมิตรผู้ประมาท มันนี่แหละ <c oughs> เนียกว่าการละยานธรรมการละยาณมิตรถ้ามีการละยาณธรรมการละยานมิมนรรรมนรมตรก็พาไปถึงมรรคถึงผลได้เพราะสิ่งที่เราทํามันมุ่งเข้าสู่เป้าอันนั้นอยู่ยิ่งพวกเราได้จเจริญสติ ในภาวนาได้ไมีลูกมีแบบได้ไมีวัดปฏิบัติเป็นลูกเป็นแบบจริงๆเป็นวัดวาอารามเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าวสวดมนต์ไหว้พระในแม่คีเราเป็นแม่คีจริงๆอ น, นาในวัดปฏิบัติแบบแม่คี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 ตลาดต้องหอบต้องหิ้วมาราคาต้องแทงเกี่ยวข้องกับปัจจัยกับเงินกับทองต้องขอคนนั้นต้องเอาคนนี้ต้องหามาต้องไปซื้อไปหามามันจึงได้ของสิ่งที่เราต้องการของที่เราได้มามันจริงจริงแบบสมมุติไม่ใช่จริงแบบปรมัาณการเจริญสติมันจริงแบบปรมัาณไม่ต้องหอบต้องหิ้วมันเป็นอริยทรัพย์ นี่คือของกิงของที่หอบที่เหิ้วเป็นวัตถุภายนอกกิงแบบสมมตุติไปไม่ถึงไหนหายสูญหายเสื่อมคลายก็ได้แต่ว่ากิ่งแบบประมัดเห็นความรู้สึกตัวนะ่อยไม่มีวันสูญหายไปไหนไป ต, ตัวเราอยู่ตลอดเวลาให้มีให้มีบ้างอย่าให้ขาดแผนซับภายนอกซับภายใน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 ใช่ความรูดจักตัวใช่ความรูดจักตัวความรูดจักตัวก็รับใช่แต่ป้องกันขนเอาปัญญามาขนเอาความชอบมาถ้ามีปัญญาไม่มีสติปัญญาเฉโกมีปัญญาก็หลอกคนได้หดห ด, ดโกงได้ถ้าปัญญาแบบสติเอามาสติเป็นผู้จับปัญญามาใช่ มันเจ้าของเจ้าของแห่งปัญญาสติเนี่ยไม่ใช่เล็กน้อยนะต่สตีได้จับเอาอะไรมาใช่ถูกต้องชอบทาแต่มันเกิดขึ้นมาเองเนี่ยไม่ใช่หรอกปัญญาแบบโลกโลกนะไม่ใช่ปัญญาแบบพุทธถ้าเราสร้างมันมันมีมันก็ใช่มาไว้ สตินี้มาไวมัวมีจำเป็นจะใช่อะไรมาไวมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นพลังร่วมกำให้เกิดความสำเร็จในเรื่องของปัญหาความทุกข์ความโลกความโกรธความหลงกิเลสทั้งนั้ราคะความอิจฉาพยาบาทความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเป็น มันเป็นกองทัพทำเพื่อปราบเพื่อปรามเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นธรรมที่เป็นอาธรรมให้พ่ายแพ้อผมรู้สึกตัวมันเสือ่อมนั้นต้องมีสิ่งที่ถูกและต้องมีสิ่งที่ผิดถ้ามีสิ่งที่ผิดไม่มีสิ่งที่ถูกในโล ก, กไม่ประโยชน์ได้แล้วก็สร้างสร้างแบบนี้นเหมือนพระสิทธะมองโลกนะ เห็นเกิดเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายแล้วก็มองคู่ของเขาของโลกควาไม่เกิดก็ไม่ความไม่แกคมม่ความไม่เจ็บความไม่ตายอามองแบบไม่ใช่มองแบบคิดมองแบบทำมองแบบประกอบมองแบบทำทำดูทำอย่างไรอย่างไรก็ทำหมด มาเข้าสู่การบําเพ็ญทางกิจนะฮะเหมือนพวกเราที่ทําอยู่นี่เพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการเจริญวิปัสสนารุ่นลุ่นที่เราทําอยู่นะแม้วางทีเกือบจะไม่มีอะไรเลยไปแบบด่วนด่วนทิ้งหมดเลยบางทีน ะ, ะไม่มีวิธีกรรอะไรมีแต่การเจริญสติรุ่นลุน่น เมือนกับเซนเป็นเซนแบบแบบสดๆนะไม่ใช่เซนแบบตำหรับตำลาจับมาใช้ทันทีรู้สึกตัวรู้สึกตัวทันทีเวลาใดมันหลงรู้สึกตัวทันทีนะเป็นเซนที่สุดเวลามันสุกเห็นมันสุกนะเซนแล้วเวลามันทุกข์เห็นมันทุกข์นะเซนแล้ว เราวันโกรเห็นวันโกรนเ้นแล้วมันขนาดตังมันเหนื่อยมันเมื่อยมันล่ามันห่วงมันอะไรต่างต่างเห็นมันเห็นมันเห็นมันเซนคือไวมาไวไม่ต้องมีเหตุมีผลไม่ต้องมีอะไรข้าไปเกี่ยวของมาก่อนเห็นมันเห็นมันเห็นมันเห็นมันไว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 เอย่างนั้นในวิธีที่เราฝึกขัดตัวเราอย่าไปคิดว่าเออไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไรอมันมีอยู่มันมีกายอยู่นี่มันมีความรู้เจตัวอยู่นี่มันทําอยู่นี่มันทําดีอยู่นี่มัแล้วความชั่วอยู่นี่อยู่แล้วจะไปเอาอะไรอีกจะไปเห็นแบบคิดแบบเหตุแบบผลแบบอะไรต่างๆ แบบคำพูดแบบคนนั่นพูดอย่างนั่นคนนี้พูดอย่างนี้บางทีก็มีพิธีกรรมต่างๆอะไรมากมายเห็นอะไรก็เห็นไปเห็นสีเห็นแสงเห็นนิมิตเห็นวัตถุเห็นไปต่างๆเห็นความสงบก็อยู่ในความสงบเข้าฌานเข้าสมาบัตอา้าเราก็ได้ยินกันเพาว่าฌานนี่ก็คือสติอย่างยิ่ง ฌานสมาบัติก็คือสติอย่างยิ่งนี่แหละเราทำอยู่นี่แหละฌานน้อยๆถ้าเป็นนิพานก็ น, นิพานทันทีเย็นทันทีลู้ทันทีถ้าเป็นบุญก็ลู้ทันทันทีถ้าเป็นบาปก็ลา บ, บาบได้ทันทีเรามีความลู้จักตัวมันก็ละ บ, บาบเพาปว่าทำดีมันก็เป็นบุญเราทำจนรู้ใจไม่ปรุงไม่แต่งจนเย็นไปเลย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 บางครั้งก็งวงเอาหอนอนบางครั้งก็ล้องเลศสงสัยบางครั้งก็พกอผงศาหนี่เป็นอกุศลมีสติเข้าไปเป็นกุศลเราทำอยู่เราทำอยู่มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกก็ทำแล้วทำอีกอยู่ทำแล้วทำอีกอยู่มันจบมันก็ไม่มีใบประกาศ มันก็เป็นธรรมไปเลยจากธรรมเป็นธรรมไปเลยเห็นลกูกเป็นนามไปเลยลกกูก น, นั่งอยู่นี่เป็นลกูกคิดเป็นน้นเป็นนม้มลูกอะไรได้นะ่ะเป็นนามแล้วก็ใช้มันอยู่เอาลูกมันทำดีอยู่เอานามมันทำดีอยู่เพราะมีการกระทํรอยู่แล้วไม่ใช่วางไว้เฉย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 การสร้างแค่ว่ามีสติความรู้จักตัวอยู่นี่ว่าทาละความชั่วทาดีแล้วทาดีละความชั่วไปในตัวเสร็จนเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมมันทาจริงจริงไม่ใช่คิดเข้าถึงตัวการกระทาเข้าถึงตัวการกระทาไม่ใช่มั ว, ว น, นั่งคิดเอาเหตุเอาผลเอาเหตุเอาผลลราก็เอาความชอบเอาความไม่ชอบ อันนั้นไม่มีการกระทําเป็นการลูบทำเป็นการลูปการทำเหมือนคนมีตำรายาไม่ได้กินยาไี่แต่ลู้เฉยๆต้องกินยาต้องมีคนเอาอยามาให้เหมือนหลวงพ่อไปปวดขาอยู่พุทธมนตนถทามคุณหมอําพลยาอะไรไนะหมแก่ปวดพอที่จะ เดินไม่ขยะบขย็ดตายคนพุทธมทนตรหมอบอกว่าอ้ามียาพาราเซตามอลเอาไปก่อนแก่ไปก่อนกินยาพาราเซตามอลันก็เดินขึ้นรถได้ไม่ขยบขอย็ดต้องกินมาถึงนี่แล้วการส่งสินจะไปโรงพยา้าลใจผมผมบอกว่าขอยาหมอมาให้ด้วยนะ ปวดขาแล้วหม อ, อจัดยามาให้เราก็เอายามากินให้ปวดทันทีจนเท่าทวั น, นมาไม่ต้องกินยริยาที่แสดงเอกเทสสัมผัสเอาเม็ดยามากินยาเข้าไปทำบรรเทาความปวดเจรความปวดมันก็หายความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวกระทา เอามาทำเอามาไหว้ที่กายที่ใจรู้สึกตัวรู้สึกตัวเรียกว่าลูกมันทำดีนามมันทำดีใช่ให้ลูกมันทำดีอย่างต่อเนื่องใช่ให้นามมันทำดีอย่างต่อเนื่อง ด, คดแบบีคือลูกนี่แหละไอ้คดีแบบคิดแต่รู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวกระทำที่สมบูรณ์แบบถ้าเป็นกรรมก็นนระกรรมเป็นกรรมแท้ๆแหละตัวนั้นแล้วก็มีเจตนานะ สำเร็จนะกรรมาฐานเนี่ยมันมีที่ตั้งแห่งการกระทำํำทำสําเร็จรู้แล้วรู้แล้วเดินจงกองก็เหยียบดินพื้นดินก้าวไปรู้แล้วรู้แล้วสําเร็จรู้ที่ได้สําเร็จที่นั่นรู้ที่ได้สําเร็จในการกระทําที่นั่นถ้ามันหลงทีใดมีความรู้สึกตัวสําเร็จในความหลงละความหลงใดแล้ว มาถึงความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยเรียกว่าสมบูรณ์การศึกษาการปฏิบัติไม่ใช่หวังลมๆแรงๆตัวปฏิบัติทมวิชากรรมฐานเนี่ยเป็นวิชาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ลมๆแรงๆบางคนอาจจะคิดว่าไม่เห็นมีอะไรมา้างสติปวดข่าปวดข้อปวดแขนนเหนื่อย นั่เต่าน้าซีดอยู่อย่างนี้ไปใช้แล้วพอดูโอ๊ยมันกระตือเรื่อง้นมากสอมรู่จุดตัวแล้โอ้มันจับเอามันจับเอามันลู่เอามันลู่เอาโลูเอาลู่เอาอมันลู่เ่ยมันลู่เราไม่เคยทํามันตัวนี้เลยเกิดมาพอมาพลิกมันลูเอ้ามันลู่จริงๆเนี่ยมันลูจริงๆริงเรามาทําอันนี้โอ้ความลู่สึดตัวความลู่จึดตัวนะ้เนี่ยโอ้งานเนี่ยเป็นงาน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 ถ้ามาทำตัวนี้ยมันรูดมันรูด ม, มันรูดมาก่าะความหลงก่็น้อยลงหรือหมดไปหรอนะพะมันเห็นอยู่มันดูอยู่มันรูดทั้งรูดทั้งเห็นแต่เป็นการเห็นกับพบเห็นไม่ใช่แบบคิดเห็นพบเห็นพบเห็นอะไรเห็นอะไรก็ได้ถ้ามันจะผ่านมาทางตานในในความรู้สึกตัว มันหลงอผ่านมาให้เราเห็นแล้วเราก็รู้เห็นความหลงแล้วความทุกข์มันก็ผ่านมาทางตานในเราก็เห็นความทุกข์แล้วการเห็นความทุกข์แบบปฏิบัติมันไม่ใช่เห็นเฉยๆมันเข้าไปละแล้วอะละสําเร็จแล้วเข้าไปละแล้วละได้สําเร็จแล้วเนี่ยมันเป็นขอ้อคิดอะไรอาจารย์จ ะ, จะเล่ญให้ฟัง เห็นอะไรก็ได้ถ้าเห็นสิ่งไหนมันก็เข้าไปเกี่ยวถึงนั้นทำให้ถึงนั้นสำเร็จนไม่ใช่ความหลงหลงไปฟปีๆไม่ไม่ไปทำอะไรเขาไปทำเขาไปลูกความลูบสตัวมันทั้งทำทั้งลูบทั้งทำได้ทั้งละได้ละได้แล้วทำใจแล้วความลูกสตัวนะเห็นอะไรก็เห็นได้เห็นสุขก็เห็นได้เห็นทุกข์ก็เห็นได้มันมา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 เขายื่นอะไรมาเหมือนหนังตะลวเขาชักอะไรก็รแสดงไปตามบทชักของเขาเขาชักให้ยกมือให้พอนลำให้กระโดดโหลดเต้นให้หวัวเลาะให้เลาะให้เขาไปกับเขาพันนี้เรามาดูเราไม่ได้ร่วมขบวนแห่งการแสดงเราดูเราดูเขาเมื่อเราดูเรากำลังแสดงไปไม่ได้ละครชีวิตของเรา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 มีสติปกติปกติรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะมันทําแล้วผมรู้สึกตัวมันทําแล้วมันยาแก่ปวดแล้วก็เข้าไปแล้วรับผมปวดแล้วยาอะไรกินเข้าไปทานเข้าไปไม่ไปะระงับอาการตามอาการของโรคมันก็ไม่ใช่ยามันก็เป็นแป้งเฉยๆไม่ออกฤทธิ์ฤทธิ์ของสติมันมีฤทธิ์ ฤทธ์คือทําให้สําเร็จความหลงทำความหลงให้สําเร็จความทุกข์ทำความทุกข์ให้สําเร็จความโกรธทำความโกรธให้สําเร็จเป็นฤทธิ์นั่นละฤทธิ์ทิคือให้สําเร็จไปแค่ฤทธิ์เหาเินเดินฟ้าอะนั้นเราคิดเราหวังเราจํามาล้มล้มแรงแรงฤทธ์คือทําให้สําเร็จความรู้เราก็ทําให้สําเร็จสําเร็จแล้วทิคเป็นสิบสี่จังหวะรู้ได้สิบสี่จังหวะ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 ภาวะที่เห็นมันก็เบาเบาลงเกี่ยวข้องเป็นรูปแก้งในเวทนารูปแกงในสุขรูปแกงในทุกนะแต่ก่อนเราไม่มีไม่มีการรูปแจ้งเลยปิดบังมืดบอดไปเลยสุขก็มืดไปความสุขทุกข์ก็มืดไปกับความทุกข์ความสุขค ว, มมความทุกข์ ก, ก็เป็นใหญ่ตลอดเวลาสแสดงเราก็ตกเป็นทาสของเขาตลอดเวลา พอมามีสติมันไม่เป็นใหญ่เลยมันเป็นอาการคิปจ้อยนะสติใหญ่กว่ารู้สึกเห็นมันเห็นมันเห็นมันเห็นมันนะี่มันมีฤทธิ์อย่างนี้นะไม่เดีความโกรธที่เรายิ่งใหญ่สมัยก่อนเคยพูดก่อนถ้ากูดได้โกรธมันไม่เหมือนคนนี้นะไม่เหมือนคนนี้นะได้โกรธถ้ากูได้โกรธ ใหญ่ า, าความโกรธแสด ง, สดงออกไปแสดงออกสุดสุดฝีมือในความโกรธบางทีก็จับสัตราอาวุธพูดประหัตประหารด่าทอกันฆ่ากันก็มีปิ่งเล่ฆ่ากันก็มีไต่กันก็มีตลอดเวลาความทุกความโกรธสุดฝีมือของเขาแตกหักไปเลยมันใหญ่ฮนะ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 พอไก่พวกนี้ขันพวกไก่ป่าก็เห็นมาเ็ามาตีแล้วก็พ่ายแพ้ไปเลยพวกก็ยึดยึดพื้นที่ยึดพื้นที่แต่ก่อนมันไม่มาตรงนี้เลยไก่ปาก่านี่นี่มันมาแล้วมันยึดพื้นที่ยึดพื้นที่ไก่พวกโจกพวกนี้ก็ถอยล่นเข้าไปนไปมาถอยไปถอยมาแล้วก็ยอมรับไก่ไก่จ่าให้เป็นใหญ่มันก็ไม่แสดงนะจอยไปเลยเลยนะ เหมือนโคถึกกับโคน้อยเวลาเราปล่อยโคไปเรียยงมันใหญ่เมื่อโคถึกออกมาก็จ้อยไปเลยนะมันยอมความโกรธมันยอมความรู้สึกตัวความโลภความหลงมันยอมความรู้สึกตัวจ้อยไปเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะปฏิบัติธรรมนะอมันเพื่อมันเพื่อปราบปรามอกุศลกุศลมันปราบอกุศลนะ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 ความเท็ความจริงมันปฏิบัติได้มันให้ผลได้ทำความชั่วได้ทําความดีได้กิจบริสุทธิ์ได้กิจไม่บริสุทธิ์มันไม่เป็นธรรมกิจบริสุทธิ์เนี่มันเป็นธรรมนะครับเป็นไปทดลองนี้ตัวปฏิบัติเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอะไรที่มันเราไม่เข้าใจเรื่องบาลีนะ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 นำไปสู่ความวิเศษสู่ความดีอย่างวิเศษนะเพราะว่าวิเศษคือพิเศษแล้วะไม่ใช่สามัญธรรมดาวิสามัญด้วยเป็นเขาแต่งตั้งอุปชาย์ถ้ามหาเทราสมาคมแต่งตั้งเลยว่าสามัญถ้านายหลวงแต่งตั้งเลยว่าวิสามัญไม่ต้องไปสอบถามเร็วขึ้เลย ว่าวิสามันพิเศษชั้นพิเศษนะแสดงว่าดีแล้วก็ต้องมีพิเศษในชีวิตเราเนี่ยวิเศษพิเศษพ่นไปอย่างวิเศษนะไม่มีใครมายกให้พ้นทุกอย่างวิเศษตัวเองไม่มีใบประกาศมามามอบให้วิเศษวิปัญญาคือวิเศษพ้นไปอย่างวิเศษวิเศษโกล ใจดีกว่าเก่าเบากว่าเก่าลู่แจ้งกว่าเก่าต่างเก่าพ้นภาวะเดิมอันเนี้ยนี่สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมั้นก็มีการกระทําอยู่ในตัว่วเซ็ตสร้างสติในความรู้สึกตัวเมือสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่ความรู้เราก็จะได้เห็นมันมันเกิดให้เห็นอยู่บ่อยๆอยู่ บางคิดบ้างขององเอาหอนอนเป็นสุกเป็นทุกข์กามรมาาคะพยาบาทความเมงเลยส่งสัยเวทนาที่มันเกิดขึ้นทางกายเวทนาที่มันเกิดขึ้นทางใจอี่มันเป็นทางผ่านของสติทั้งนั้นเดินลุยไปเลยมันลุยสิ่งนี้แหละมันต้องเป็นพระเอกในสิ่งเราเนี่แหละถ้าไม่ได้ลุยมันก็ไม่เก่งต้องลุยบ้าง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 มันมีตัวมีตนอยู่ในกายมีตัวมตนอยู่ในเวทนามีตัวมตวนอยู่ในความคิดมีตัวมตนอยู่ในธรรมที่เป็นอกุศลที่เป็นกุศลหลงความดีเป็นทุกข์เพราะความดีก็มั้หลงความชั่วเป็นทุกข์เพราะความชั่วอันนี้เรามาเห็นนะจิตก็ค่อยเป็นใหญ่ค่อยผ่านค่อยผ่าน ผ่านผ่านด่านผ่านด่านไปอย่างอย่างดีนะอย่างสวยงามไม่ใช่ผ่านแบบพอรับชั่นผ่านแบบชัยชนะเห็นเวทนาเห็นความคิดเห็นธรรมเห็นกายจนพูดออกมาว่ากายนี่ก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคลตัวตนเราเขาพูดได้ ไม่ใช่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวขอบพูดของเราก็มีสามารถที่จะพูดเหมือนพระพรุทธเจ้าได้เห็นก็เห็นอันเดียวกันจนอัญญาโกฏัญญาว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้เหมือนกับพระองค์รู้รู้แล้วรู้แล้วนจนได้นามต่อไปว่าอัญญาสิวัตพโพกคณทันโยอัญญาสิวัตโพ โ, โคณทันโยอัญญาสิวัตโพ โ, โคณทันโยเพิ่มชื่อให้ไป แต่ก่อนเป็นอัญญาธรรมราแต่ก่อนเป็นโกทัญญาโกทัญญาผาพอมาลูกเหมือนพระเจ้าหรอกพระเจ้าก็ให้นามต่อหน้าวะอัญญาสิอัญญาสิญญาสวัตโผโนทัญโยโกนทโยโกทัญญาไว้หลังให้ให้ให้ให <c oughs> สมณศักอาจารย์พูดแล้วขึ้นตนปัญญาสิวัตถโผ รู้แล้วน่ะคนรู้แล้วผู้รู้แล้วผู้รู้ตามแล้วโคนทันโยอัญญาสีวัตฐโพโคนทันโยอัญญาสีวัตฐโพโคนตันโยกนะนก็เป็นเรื่องของเราด้วยความรู้ในเป็นเรื่องของเราความหลุดพ้นเป็นเรื่องของเราด้วยไม่ใช่พ้นแต่พระพุทธเจ้าพระ อ, องค์เดียวสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราทําได้พระพุทธองค์สอนในสิ่งที่เราทําได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการ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 กายก็ดเดียวเหมือนกันพระเจ้าก็ไม่กายเหมือนกับเรานี่แหละแต่ว่าพงเป็นาชาติแห่งกษัตริย์สมมติติเทพเป็นสมมุติเฉยๆเป็นกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่ปรมาจาร์รอแต่ว่าสมมติติเทพเราในไม่ไร่เป็นสมมติติเทพเป็นมนุษย์เหมือนกันถ้าเป็นเทพก็เป็นได้ บริสุทธิเทพอุบั enjoyed, creams, ติเทพเราเป็นได้แต่สมมติเทพไม่เป็นแต่บริสุทธิเทพเป kill, ็นได้สูงกว่าสมมติเทพบริสุท really. ธิเทพบริสุทธิ์ใหญ่เป็นเทพเป็นใหญ่เราเป็นได้เหนือสมมุติอุบัติเทพเราเป็นได้อุบัติขึ้นแล้วในชีวิตเราเทพคือความเป็นใหญ่คือเทพ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 สมุติเทพอุบัติเทพบริสุทธิ์ที่เทพเราเอาสักสองเทพก็พออุบัติเทพบริสุทธิ์ที่เทพบริสุทธิ์อิทิบริสุทธิ์จากเครื่องเส้าหมองต่างๆอันนี้เราก็มีสิทําได้เหมือนกันอาจจะไปมอบให้ใครมีสิทธิเราด้วยเทพเนียบริสุทธิเทพปฏิเทพเป็นสิทธิของพวกเรา มรรคผลในผลานก็เป็นสิทธิของพวกเราไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจา้าพระองค์เดียวแม้แต่สาวกองค์สุดท้ายเลยว่ า, อ, าอุ่ปสุภัทภปริพาชกเนี่ยเป็นคนที่อภพที่สุดในทีลาค้าที่อยู่โลกเต่าลออร้านไม่มีสมบัติพระเจ้าไม่มียินงคำว่าพระเจา้จาพระเจา้าก็หวังเพิงพระเจา้าวิง่ง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 ปัจจัยสื่อเข้าสื่อของช่วยเหลือกันมาปฏิบัติไม่มีอะไรก็ดีแล้วถ้ามายกมสร้างจังหวะสิทธิเข้ากันกับคนมีเงินมีทองอย่าไปคิดว่าโอ้ยไม่ได้สร้างกติยู่เองอไม่ได้ทำบุญเนีย่ยไม่คิดอยกันนะ้ลวงพ่อเคยเสียเวลามากับสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติไปสิบวันไม่รู้อะไรหลวงพ่อเทียนก็พูดแล้วพูด ผมเนี่ยทำบุญกระถินทำบุญทุกปีทุกปีสร้างโบสคนเดียวสร้างกติบวชน า, วาปวดพระปีละหลายลูกทบุญขึ้นบ้านทุกปี <c oughs> แต่เราไม่ได้มีโอกาทำบุญอะไรไม่ได้เหมือนหอนลวงพ่อเทียนเอมันจะเป็นห <c oughs> ลวงพ่อเทียนท่านได้ทำบุญเราเป็นคนจนไม่ได้ทำบุญ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 ก่อนจะทำบุญกระถิ่นเนี่ยข <c> อ <oughs> เรานี็ตหน่อยพรอเทียนก็บอกให้แม่เทียนเนี่ย <c oughs> ให้จัดทุกอย่างให้เป็นสิทธิเจ้าทุกอย่างอพ่อเทียนจะต้อนรับแขกนุ่งขาวห่วมขาวไม่เกี่ยวข้องกับการรับแขกจะนั่งเป็นประธานรับผู้รับพลนุ่งขาวห่วมขาวอพอทีแม่เทียนก็มาถามเขาจะเอาข้ามอาลัง จะให้เขาเท่าไหร่พอเทียนก็โกรธขึ้นทันที <c oughs> โกรธเราไปพูดเวลาแขกอยู่ตายแขกกดเอาไว้พองานเลิกลาหมดคนหนีหมดเจ็บพารเจ็บของก็เรียกแม่เทียนมาไม่เทียนมานี้เอันที้พอเถียนเราเองพ่อเทียนตัวหนึ่ฟังเราให้ฟัเจ้าเป็นอย่างยังเคยมาถามอย่านั้นบะอกแล้ว ทุงเจ้าเนี้ยนะไม่มีสำเร็จอะไรเลยไม่ปฏิบัติไนดะ้ยังดันมาถามนะแม่เทียนกูอ้ า, อาคอยก็ถามเจ้าเตอานั้นเจ้ากับโกดประเด็นเลยกโกดแล้ยบกแล้วไม่เอาเจ้าโกดเจ้าก็ทุกผู้เดียวให้แล้วเจ้าทําบุญเนาะพระเทียนเลยทําบุญกรถิ่นเจ้ายังโกดอยู่นาะพระเทียนเลย เอาซะเอาซะของโกดังค่อยไปออกกับเจ้าแล้วค่อยถามเท่านั้นจะซื้ อ, อกับโกดันบ่ค่อยเถียนโอ้ยยอมแมนแล้วแมนแล้วไม่มเถียนเลยค่อยเนื่ทุกจริงจริงเนอะตำบลกรถิ่นเสร็จไปใหม่ก็ ย, ยังโกดอยู่เอาละวันนี้ตำบลกรถิ่นนี่มันยังโกดอยู่เลยอะไรหนอที่มันไม่โกไปเจอหลวงพ่อมหาสีจันนั่งเดี๋ยวผมก็เถียนมี เป็นเจ้าของเรือใหญ่วิ่งแม่น้ําขงหลวงพ่อมหาชีจรมาโดยสารเรือล่ อ, ลองลำแม่น้ําขงถามเรื่องนี้มันเป็นจังใดบุญเนี่ยบากที่มันเป็นจังใดหลวงพ่อมหาชีจรก็ธิ้ว่าใช่ปะถามกันนั่งเรือตั้งแต่หลวงพระบางจนถึงโน่นถึงสีเชียงใหม่หลวงพ่อมหาชีจรก็ขึ้นเชียง สีเขีงไหมโอ้พี่เถียนเอ้ยเจ้าเนี่ยที่มาถามอย่างเสียอมมาได้รอกถ้าอยากรู้ต้องมาปฏิบัติธรรมอืมเอาเลยคน<ม>ปฏิบัติธรรมเลยเอาตั้งใจเราันถ้าอยากรู้เรื่องนี้จริงๆต้องมาปฏิบัติธรรมที่มาถามอยา่างนี้มันบารู้ดอกเลยได้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยการบรรลุธรรมกับการเชืงหัว่นั่นนะ่ะ เรามาทำอยู่นี่นะเป็นการทำบุญแท้ๆแล้วนะละความชั่วทําความดีเนี่ยสมบณ์แล้วพวกเรามายกมาสร้างจังบัดรู้สึกตัวเนี่ยนี่เละตรงนี้หละเป็นกรรมที่สมบุญกรรมดีทำดีแล้วสุดกรรมทั้งหลายยอดแห่งการกระทำรู้เศกตัวรู้จึกตั ว, ตวมันหลงเวลาใดก็มีความรู้สึกตัวมัน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 ก็ได้ไหมล่ะะล้วมีคนเบียดเบียนกันไหมที่นี่แล้วมีคนทะเลาะกันไหมหยุดซะพาจับมือจับไม้เดินเชียงบ่าเชียงไหลกันช่วยกันไป ค, คนไหนเมื่ยล่าก็คอยกันจับขากันไปจับแขนกันไปช่วยเหลือประยุงกันไปนะเรียกว่ากันระยานามิตรเราจะเป็นไม่ได้หรือเราจะเป็นศัตรูกันมันไม่ใช่หรอกเป็นกันระยานามิตรอบอุ่นใจดีกว่าถ้าเป็นศัตรูกันโอ๊ย โอ้ฮอ่ามิเป็นกันระยะมิสซึ่งกันและกันนี่ปฏิบัติธรรมกันทุกคนเอาคนนั่นอยู่กะทีแล้วนั่นคนนี่อยู่กะทีหลังนี่อ่าแต่มีอะไรก็แบ่งกันไปกินเห็นพวกเรากินข้าวเห็นเอาอาหารเด็ดเลยโอ้ยมันมีความสุขนะมีความสุขมา ก, มา ก, มากนะคนที่ทําอาหารก็มีความสุขนะอย่าไรคิดโวยวายฮะ เราทำคนเดียวคนไม่ได้ช่วยเราเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเราทำดีแล้วไปทุกทำไมอช่วยคนอื่นได้เยอะนะคนไม่ทำก็ไม่เป็นไรอย่าไปคิดน้อยเนื้อต่ำใจเราไม่ได้ช่วยอะไรบางคนยังเอาปัจจัยไปให้หลวงพ่อไม่ได้ช่วยอะไรโอ้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะอย่าไปเชดนั่นให้มีโอกาสได้ทำความดีให้หลวงพ่อมีโอกาสได้ทำความดีให้หมู่พระสงฆ์ใดมีโอกาสได้ทาความดี ให้เหล่าพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาจิกาได้ทําความดีความดีของเราก็ทําอยู่ตรงนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบเราละความชั่วเราทำความดีถือว่าเราช่วยโลกเแดบบี๋ยวอีกแรงหนึ่งนะเราได้ช่วยโลกแรงหนึ่งอ๋อตอนนี้ก็พอแล้วอากาบพระพร้อมกัน อรหังสมมาสมบูรโธภะคะวะอะระตะภะคะวันตังอะิวาทิสวากาโตภาธัมโมมังนาโยปฏิปโนภะคะวะโตสัโังัง